แต่ไม่มีโอกาสที่จะอยู่ในสำนักวัดป่าก็สามารถปฏิบัติได้โดยปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าแม้จะอยู่ในบ้านในเมืองก็ให้ทําสัญญาคือทำความรู้สึกกาหนดหมายในใจว่าอยู่ในป่าอยู่ในที่ว่างอยู่ในที่สงบ ก, ก็สามารถทําจิตใจให้ว่างให้สงบได้เจ้าพระคุณสมเด็จก็ส่งปฏิบัติพระองค์ตามหลักดังกล่าวนี้